สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนักร่าวคนชอบเล่ากลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะครับในหมวดของเรื่องลี้ลับวันนี้ผมมีเรื่องของรุ่นพี่คนหนึ่งของผมสมัยยังเด็ ก, ดกมาเล่าให้ฟังครับเขชื่อพี่เก๋สมัยเด็กๆตอนเรียนอยู่ชั้นประถมพอช่วงปิดเทอมสมัยก่อนผมจะไปเที่ยวอยู่บ้านตาบ้านยายที่สาลาลำดวนตําบลหนึ่งของจังหวัดสระแก้วแต่ในสมัยนั้น ตัจังหวัดสระแก้วยังเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปราจีนที่ต่อมาตอนหลังได้แยกตัวออกมาเป็นจังหวัดสระแก้วแม่พาไปงงไหมครับอาเป็นว่าเข้าเรื่องหมวดลี้ลับกันเลยดีกว่าเรื่องลี้ลับที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้เป็นประสบการณ์ของพี่เก๋ที่พูดถึงนั่นแหละครับพอดีนึกถึงเรื่องที่แกเล่าให้ฟังได้เมื่อประมาณ 4- 5ปีก่อนตอนช่วงประมาณสงกรานตอนนั้นไปเจอแกและได้คุยกันก็คุยกันด้วยเปื่อยสารทุกสุกดิบ เรื่องตอนยังเป็นเด็กกันบ้างตอนไปเที่ยวงานวัดสาราลัดุลกันบ้างดูหนังกันสมัยนั้นบ้างหนังกลางแปลงนะครับและพอพูดถึงหนังกลางแปลงแกก็บอกว่ามีเรื่องจะเล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องอัมประทับใจของแกเลยเป็นเรื่องที่แกประทับใจมากและแกก็เริ่มเล่าเรื่องความประทับใจที่ทําให้แกเป็นไข้นอนชมไปฟังถึง2เรื่องแกบอกตอนนั้นแกโตขึ้นมาหน่อยตอนเกือบจะเข้าวัยรุ่นอายุ ต, ตอนนั้นประมาณ1 3บ4 ตอนแกไปดูหนังกลางแปลงที่วัดสาราลำดวนแกบอกว่าตอนนั้นงานวัดรู้สึกจะมีงานอะไรก็ไม่รู้แต่เขามีหนังมาฉายซึ่งบ้านของพี่เก๋กับบ้านตายายของผมเนี่ยอยู่ติดติดกันบ้านของพี่เก๋จะติดอยู่กับหลังบ้านของตายายผมและระยะทางจากบ้านของตายายผมกับบ้านพี่เก๋เนี่ยจะอยู่ห่างวัดประมาณเกือบเกือบสิกิโลนึงก็คือว่ถ้าอยากจะไปวัดก็ต้องเดินไปกัน แกเล่าว่าตอนนั้นที่วัดมีงานมีหนังมาฉายแกก็อยากจะดูแกก็นัดกับเพื่อนแกรวมตัวกันไปดูหนังก็เดินกันไปตอนหัวค่ำและแกก็บอกว่าเรื่องถนนห น, นทางหนี่งก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะผมเองก็คงจะเคยเห็นมันเป็นถนนลาดยางที่ตีเส้นเป็นสองเลนให้รถพอสวนกันได้ไปมาเสาไฟฟ้านี่ไม่ต้องพูดถึงไม่มีจะมีอีกทีก็ตรงศาลาหน้าวัดเป็นศาลาที่รอรถประจาทาง ขนาดตรงปากซอยทางเข้าบ้านตาบ้านยายผมกับบ้านพี่เก๋ก็ยังไม่มีเลยตอนแรกก็เดินกันไปเป็นกลุ่มมีชาวบ้านบ้านโน้นบ้านนี้เดินกันไปถือเสือถืออะไรกันไปเพื่อจะไปดูหนังและกลุ่มของแกก็เดินไปด้วยแล้วเมื่อไปถึงวัดก็จัดการหาจองที่นั่งหน้าจอหาขนมขนมมากินกันวันนั้นหนังฉายประมาณ3เรื่องแกบอกประมาณดูเรื่องที่สองพอหนังฉายเรื่องที่2จบคนก็เริ่มจะทยอยกันกลับแล้ว แต่แกกับเพื่อนก็ชอบดูหนังก็เลยอยู่ต่อดูเรื่องที่สกันต่อคนก็เริ่มจะร่อยหรอไปเรื่อยๆแะบอกหนังสนุกมากคืนนั้นแล้วพอดูหนังจบมันก็เป็นเวลาที่ดึกมากแล้วตอนนั้นบ้านนอกบ้านนอกอะประมาณทุ่มหรือสองทุ่มก็ถือว่าดึกแล้วเพราะมันเงียบก็เลยพา ก, กันกลับกับเพื่อนเพื่อนที่ไปด้วยกันตอนแรกมีห้าหคนตอนหลังเหลืออยู่3คนแยกย้ายกันไปไหนแล้วบางก็ไม่รู้ที่สําคัญคือเพื่อนอีสองคน มันจะไปนอนที่บ้านเพื่อนอีกคนนึงซึ่งอยู่ใกล้ๆวัดทําให้แกต้องเดินกลับคนเดียวในคืนนั้นแต่แกก็คิดในใจว่าไม่กลัวหรอกเพราะว่าเดินมาบ่อยแล้วอะและอีกอย่างอาจจะมีชาวบ้านใกล้ๆกับละแวกของซอยบ้านของแกเดินมาเป็นเพื่อนก็ได้แกก็เลยเดินกลับเดินกลับพอเพื่อนแยกย้ายกันเลยวัดมาหน่อยก็แยกย้ายกันไปพอแกเดินกลับออกมาซึ่งในเวลานั้นตีไปก็ประมาณน่าจะตีสองได้แล้ว พอหนังฉายตอนแรกฉายประมาณสองทุ่มกว่าจะจบหนังตัวอย่างกว่าจะทำอะไรก็ปาเข้าไปเกือบสามทุ่มเดินมาเรื่อยๆข้างทางก็มืดมากรถไม่มีวิ่งสักคันเลยมันมืดมากแกก็มีไฟฉายติดไปอันหนึ่งพอจะสองนู่นสองนี่ได้บ้างพอเดินไปถึงศาลาที่อยู่หน้าวัดเลยมาหน่อยสำหรับรอรถประจำทางแกก็สังเกตเห็นว่ามีคนนั่งอยู่ที่ศาลาก็คิดในใจว่าเอ๊ะใครวะ มานั่งรอรถป่านนี้จะรอเข้ากรุงเทพหรือไงรถเป็นยังไม่วิ่งกันสักหน่อยแต่แกบอกว่าตอนนั้นคนที่แกเห็นเน่ดูลักษณะเหมือนไม่ชัดเห็นแค่เป็นเงาเงนั่งอยู่ตรงมุมด้านในสุดของเสาด้านในของศาลาแต่รู้สึกว่าเป็นผู้ชายก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เดินเลยศาลามาเรื่อยๆเดินไปก็มองทางไปคิดในใจว่าเออบ้านเนี่ยมันอยู่ไกลเหมือนกันนะ เพราะขากลับอ่ะมันไม่มีเพื่อนเดินร่วมทางขาไปมันแป๊บเดียวก็ถึงวัดแล้วเดินไปเดินมาใจแกนึกเฉลียวยังไงไมร้หันกลับไปมองที่ศาลาที่เพิ่งจะเดินเลยมาสักหน่อยก็เห็นผู้ชายคนนั้นที่อยู่ในศาลาออกมายืนอยู่ตรงหน้าศาลายืนตัวตรงเลยลักษณะเหมือนหันหน้ามามองทางแกอยู่แกก็เลยมองแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากและแกก็เดินต่อไปเดินต่อไปแต่มันมีความรู้สึกว่า มีอะไรแปลกๆด้านหลังแกก็เลยหยุดและหันไปมองอีกทีหนึง่งเห็นผู้ชายคนนั้นกำลังเดินตามแกมาแต่ลักษณะการเดินมันทำให้แกรู้สึกหวิวเลยลักษณะการเดินมีความรู้สึกว่าเหมือนคนที่ไม่ค่อยจะสมประกอบเดินงึกงึกงักงักช้าๆเหมือนจะพยายามเดินให้เร็วแต่ไม่สามารถเดินเร็วได้โงนเงินไปโงนเงินมาดูไม่เหมือนคนเลยและด้วยบรรยากาศตอนนั้นมันก็มืดมาก แสงพระจันทรที่ส่งก็ทําให้เห็นเป็นตะคุ่มตะคุ่มเดินมาแต่มีความรู้สึกได้ว่ามันเย็นและมันน่ากลัวมากพี่เก๋ก็เลยหยุดมองแป๊บหนึ่งคนนั้นก็เดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆน้อยกว่าร0อเมตรเข้ามาประมาณ70ถึง80เมตรแกมีความรู้สึกเหมือนสัญชาตญาณว่าคนที่เดินมาเนี่ยไม่ใช่คนแน่ๆพอแกคิดได้อย่างนั้นขนแกกระลุกขาก็เริ่มแข็งเหงือก็แตก แกค่อยๆเดินถอยหลังแล้วก็มองคนนั้นไปด้วยว่าเขาเดินมาถึงไหนแล้วเดินเดินเดินแกถอยหลังถอยหลังไปเรื่อยๆตอนนั้นเรี่ยวแรงมันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ที่สังเกตได้คือคนคนนั้นน่ะเหมือนจะเดินช้าแต่รู้สึกว่าใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆไม่เห็นหน้าตาเห็นแต่เป็นเงาดำๆเดินตะคุ่มตะครุ่มมาลักษณะาการเดินคล้ายๆกับขิงคองแกเลยตะโกนถามไอ้ไอะใครอะไม่มีเสียงตอบ มีตรการเดินเข้ามาเรื่อยๆเดินเข้ามาเรื่อยๆตัวพี่เก๋เองก็เลยต้องถอยหลังไปเรื่อยๆถอยหลังไปเรื่อยๆแล้วก็ตะโกนถามอีกว่าใครใครใครเฮ้ยตอบหน่อยทําไมเดินมาอย่างนี้ไม่มีเสียงตอบเหมือนเดิมมีตรการเดินเข้ามาเรื่อย ๆ, ๆเดินเข้ามาเรื่อยๆและเจ้ากรรมบรรยากาศได้ยินเสียงหมาหอนแต่ไกลแต่ไม่ได้หอนตรงแถวนั้นนะไม่รู้มันหอนมาจากไหนมันหวยหววไปหมดตรงนั้นมันเหมือนว่าโลกทั้งโลกอ่ะและถนนเส้นนั้น มีแกกับคนที่เดินแปลกๆอยู่แค่สองคนเท่านั้นเองเ ม, มื่อมีมีเสียงตอบและไม่มีอาการใดๆตอบโต้มามีแต่การเดินเข้ามาหาเรื่อยๆพี่เก๋ตัดสินใจหันหลังวิง่งอย่างเร็วสุดชีวิตวิ่งโกยวิ่งโก่วิ่งโก ย, โกยจนสะดุดขาตัวเองล้มกิ้งพลักลงไปแขนเขินถลอกปอกเปลือกไปหมดลุกขึ้นมาหันมามองเขาก็ยังเดินเข้ามาเรื่อยๆแต่แปลกระยะของการเดินมันไม่ได้ห่างขึ้นทั้งๆ ท, ที่พี่เก๋ก็วิ่งหนีแล้ว ตอนนั้นแกบอกว่าร้องไห้เลยไม่เคยรู้สึกกลัวอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยวิ่งไปก็ตะโกนเรื่อยๆผีหลอกผีหลอกผีหลอกและบ้านของคนแถวนั้นก็ปลูกห่างกันอยู่เหลือเกินไม่มีบ้านไหนเปิดไฟอยู่เลยถึงแม้จะเห็นบ้านแต่ก็ไม่มีใครออกมาเหมือนว่าจะไม่มีใครได้ยินเสียงที่แกร้องเรียกเลยแกก็ได้แต่วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งป่าก็บอกว่าผีหลอกผีหลอกผีหลอกวิ่งไปก็ร้องไห้ไปตะโกนไปเสียงหมาก็หอนงมไปทั่วหันไปมองคนนั้นที่เดิน ก็รู้สึกว่าเดินใกล้แกเข้ามาทุกทีทุกทีสุดท้ายแกวิ่งมาจนถึงปากซอยบ้านของตายายผมแกก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยเพราะว่าบ้านแกอยู่หลังของบ้านตายายผมวิ่งเข้าไปร้องไห้วิ่งเข้าไปกระโดดข้ามรั้วบ้านแกเข้าไปเลยตามบ้านนอกจะเป็นรั้วเตี้ยๆเอาไม้มากัน้นมากัน้นมากันาก้นไว้เฉยๆกระโดดเข้าไปก็ร้องแหกปากโวยวายให้พ่อแม่แกตื่นขึ้นมาแกบอกตอนนั้นรู้สึกเหมือนรอดตายวิ่งเข้าห้องนอนคุมโปง ร้องไห้แล้วก็หลับไปเลยเช้ามาก็ไม่ค่อยจะรู้สึกตัวรู้สึกตัวมีคนเอาผ้ามาเช็ดหน้าเช็ดตาแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นไข้หนักมากพ่อแม่แกก็เลยไปขอน้ำมนต์จากหลวงพ่อที่วัดสารานมดวนเอามาให้กินเอามาให้ล้างหน้าแล้วก็ให้กินยาแก้ไข้ไปด้วยแกบอกตอนนั้นรู้สึกจะเพอ้อไปเลยที่พ่อแม่แกเล่าให้ฟังนะเพอ้อหนีคนที่เดินตามแกนั่นเป็นประสบการณ์แรกที่แกบอกว่าประทับใจมาก และทําให้ตัวแกเป็นไข้เลยนอนประมาณ 3-4 วันได้ไม่ได้ออกไปดูควายดูนาเลยและจบจนถึงทุกวันนี้แกก็ยังไม่รู้เลยว่าคนที่เดินตามแกเนี่ยเป็นใครแต่ในสมัยนั้นเกิดอุบัติเหตุบ่อยตรงเส้นตั้งแต่บ้านตาบ้านยายผมก็คือบ้านของพี่เก๋ที่อยู่ด้านหลังนี่นแหละไปถึงวัาสาราม ด, ดวนจะมีอุบัติเหตุบ่อยมากแต่คนที่นั่งที่สาราและเดินตามแกในวันนั้นไม่มีใครตอบได้ว่าเป็นใคร และเรื่องความประทับใจครั้งที่2ของแกก็คือตอนที่แกออกไปหาปลาที่หนองน้ําข้างทางรถไฟกับไอ้ต๋องเพื่อนแกอีกคนหนึ่งเหตุการณ์ที่สองนี้ถัดมาจากตรงนั้นประมาณปีหนึ่งเมื่อออกมาถึงตรงปากซอยบ้านตาบ้านยายผมแล้วก็ต้องข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนั้นก็จะเป็นที่ที่รกล้างไม่ค่อยมีบ้านคนแต่จะมีซอยที่สามารถเดินไปทะลุกับสถานีรถไฟได้แล้วก็เดินทะลุกับตลาดอีกฝั่งหนึ่งได้ แต่ทางสมัยนั้นมันเปลียวแกก็ไปมีทั้งไฟฉายมีทั้งตะเกียงก็ไปกันสองคนกับเจ้าต๋องตอนเย็นเย็นเจ้าต๋องมันบอกไปวางเบ็ดไว้ไปวางอะไรไว้ไปปักไว้ตอนกลางคืนไม่มีอะไรทากันก็เลยคิดว่าไปหาป่าไปหาอะไรดูดีกว่าก็ไปกันสองคนพอไปก็ถึงดางรถไฟทางข้ามทางรถไฟก็เลี้ยวซ้ายเดินเลาะไปตะบนลางเลยเดินเลาะะเไปเรื่อย จนไปถึงจะมีสะพานรถไฟเล็กๆอยู่อันหนึ่งและตรงสะพานรถไฟพอมองลงไปก็จะมีหนองน้ําอยู่อันหนึ่งเป็นที่ที่เจ้าตองไปปักเบ็ดไว้พี่เก๋กับเจ้าตองก็เดินเลาะลงไปข้างล่างเลยเราช่วยกันสองก็ช่วยกันหาปลาวันนั้นแกบอกว่าไม่ได้คุยอะไรเกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องสางเลยก็คุยกันเลื่อเปื่อยหาปูหาปลากันนี่แหละสนุกสนานคุยเรื่องจีบสาวไปเรื่อยๆพอเอาไฟ2ดูเบ็ดค่อยๆยกทีละคันทีละคันดูที่ตัวเองไปปักไว้ ไฟก็ไปส่องไปเห็นคนคนหนึ่งอยู่เลยออกไปประมาณ1 0 1ถึงเมตรอยู่ตรงอีกฝั่งหนึ่งของหนองเหมือน ก, นกากลังก้มหาปลาเหมือนกันเสียงจอมแจมจอมแ จ, ม, จ, ม, จมแต่ตรงนั้นไม่มีไฟพี่เก๋กับเพื่อนก็เลยเอาไฟฉายส่องไปก็เห็นเขาก้มอยู่โดยหันหลังให้ก็เลยถามว่าอา้าวได้ละบอเป็นภาษาอีสานนะครับแปลว่าได้แล้วเหรอหาอะไรอยู่นะชายคนนั้นก็หยุดลงนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ตอบอะไร แต่มีสิ่งหูเลาะมาเออเออเออพี่เก๋ก็เออสงสัยแกคงมาหาปลาหาอะไรเหมือนกันก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เลยคุยกันต่อเดินเลาะไปเรื่อยๆเดินเลาะจนใกล้ๆจะถึงตัวแกพอใกล้ๆจะถึงตัวแกแต่อยู่คนละฝั่งพอไฟฉายส่องไปทีหนึ่งปรากฏว่าตัวแกที่ก้มอยู่ตรงนั้นตอนแรกยี่หันหลังให้ตอนนี้มาดูที่ด้านข้างแกไม่มีหัว เหมือนแกกำลังงมหาอะไรอยู่ก็ตามแต่แกไม่มีหัวเจ้าตองตะโกนทันทีเลย ว, ว่าเฮ้ยพี่เกยก็เฮ้ยแต่ก็ไม่มีคําพูดใดๆออกมาจากปากทั้งสองคนยืนนิ่งอึง้งเตรียมตัวจะแหกปากกันเต็มที่ก็มีเสียงดังออกมาหาไม่เจอหาไม่เจอเสียงนั้นมันกังวลและเย็นมากพี่เกบอกตอนนั้นยืนนิ่งกับเจ้าตองเลยแต่เสียงนั้นดังหาไม่เจอช่วยหาหน่อย ช่วยหาหน่อยมีไฟฉายใช่ไหมล่ะช่วยส่องให้หน่อยทั้งสองคนไม่มีคําตอบออกไปไดแต่ยืนนิ่งยืนสั่นเงึ๊ๆเงึึง๊คนแค่นั้นก็ลุกขึ้นโดยที่ไม่มีหัวและเสียงก็ดังขึ้นว่าหาให้หน่อยหาให้หน่อยหัวมันหลุดไปอยู่ตรงไหนไม่รู้เนี่ยมองไม่เห็นเลยพี่เก๋บอกตอนนั้นรู้สึกตัวได้เลยว่ากางเกงเปียกไม่ได้เปียกเพราะลงน้ํานะเปียกเพราะฉี่ตัวเองอระแตกรู้สึกตัวเองทีหนึง่ง ไอตองมันดึงมือแกลากปุ๊บวิ่งกันโหยลงทง้องลงท้าหลุดกระจายไฟสงไฟฉายทิ้งกระจายไปหมดวิ่งกันตายกันขึ้นมาจนถึงตรงรางรถไฟจากที่ลงไปข้างล่างตรงหนองน้ําวิ่งแบบมั่วๆตัวๆกันตกใจร้องแหกปากเฮ้ยๆเร็วเร็วเร็วีหลอพีหลอพผีหลอกผีหลอกกุกกะกุกกะกุกกพอถึงรางรถไฟปุ๊บก็เลยวิ่งสะดุดกับหมอนของรางรถไฟบ้างล้มกลิ้งในนาดก็ช่วยกันพยุงกันขึ้นมาแล้ววิ่งกันต่อมองกลับไปมองที่หลังปุ๊บ ก็เห็นคนคนนั้นมายืนอยู่บนรางแล้วก็หิ้วหัวของตัวเองอยู่แล้วก็เสียงก็หัวเราะดังลั่นเลยเฮ้้เ <c oughs> ไปไหนไปไหนไปไหนเสียงดังกังวานมากแกบอกตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรแล้วคิดอย่างเดียวเลยว่ามึงรอกูด้วยมึงรอกูด้วยไอ้ต๋องมึงรอกูด้วยเพราะแกวิ่งตามไปต๋องอยู่ไอ้ต๋องวิ่งปุ๊บแต่มือก็ไม่ปล่อยกันนะวิ่งยาวออกมาจนไปถึงถนนใหญ่รีบข้ามฝั่งกลับเข้าบ้าน คืนนั้นไอ้ต๋องก็นอนที่บ้านของพี่เก๋เพราะไม่กล้ากลับบ้านเลยและเช้าอีกวันหนึ่งพี่เก๋ก็เป็นไข้เหมือนเดิมและแกก็เล่าให้แม่ฟังให้พ่อของแกฟังพ่อแม่แกก็บอกว่าโอ้สงสัยจะเป็นวิญญาณของไอ้ที่โดนรถไฟชนน่ะไม่รู้ไปโดนชนได้ยังไงคอมันขาดลงไปตรงหนองน้ําตรงนั้นน่ะกูก็ลืมบอกมึงไปว่ากูไม่รู้ว่ามึงจะไปหาปลาตรงนั้นเนี่ยมันตายไปประมาณ ได้เจวันเองเหรอมัง้งนี่คือเหตุการณ์ประทับใจของพี่เก๋ที่แกเล่าให้ฟังแกบอกว่าไม่รู้ว่าเรื่องจะน่ากลัวหรือเปล่านะแต่ถ้าใครเจออย่างแกในวันนั้นน่ะรับรองได้ว่าร้อซน่ะถ้าไม่เยี่ยวราดก็ต้องเกิดอะไรกันขึ้นบ้างละขนาดตัวแกเองยังเหวอขนาดนี้และนี่ก็คือเรื่องราวที่พี่เก๋เพื่อนรุ่นพี่สมัยเด็กของผมเล่าให้ผมฟังเมื่อตอนสงกรานต์ประมาณ 4-5 ปีก่อนก็เลยนะํามาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้ฟัง เพื่อเป็นความบันเทิงแต่ไม่รู้ว่าคนที่ไปเจอมาจะบันเทิงหรือเปล่าแต่ผมฟังดูแล้วก็สนุกดีก็เลยนาะมาถ่ายทอดให้ฟังครับเล่ามีลิ้นพันกันผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ